เรื่องภิกษุณีนั่งขัดสมาธิยินดีการสัมผัสส้นเทา้าสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิยินดีสัมผัสส้นเทา้า